บทสรุปท่านพระอาจารย์มั่นภูริทะัตะเทระหลังจากท่านได้มอบงานใหญ่ให้ท่านอาจารย์สิงคันตยาขโมแล้วท่านก็ได้เดินทุดวงวิเวกไปทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายท่านเด้ยเที่ยววิเวกหาความสงบพิจารณาถึงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ตลอดระยะเวลา12ปีในที่สุดท่านก็ได้เดินทางกลับมาทางจังหวัดภาคอีสานเพื่อจะได้พบปะลูกศิษย์ลูกหาเก่าแก่ซึ่งท่านได้อบรมไว้ก่อนแล้วนั้นท่านได้พักอยู่จังหวัดอุดรและจังหวัดสกลนครเมื่อบรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านได้ทราบข่าวถึงการกลับมาอยู่จังหวัดสกลนครโดยเฉพาะบ้านหนองผืออำเภอพานา น, านิคม ซึ่งท่านอยู่นานกว่าทุกแห่งแล้วเป็นโอกาสให้บรรดาคณาจารย์ผู้เป็นสิทธิ์ได้เข้ามาพบและอยู่กับท่านซึ่งก็เป็นความประสงค์ของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่แล้วเพราะว่าท่านต้องการที่จะถแถลงนโยบายหรือความละเอียดที่ท่านได้ค้นคว้าและศึกษามาตลอดระยะเวลา12ปีที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งแก่บรรดาคณาจารย์ที่จะได้มารับนโยบายอันถูกต้องในคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้เลือกเฟ้นและแนะนำให้ฟังเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้พักอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือตลอดระยะเวลาหปีก็มีประโยชน์ที่ได้วางแผนงานขั้นสุดท้ายให้แก่คณาสิทธิ์พระคณาจารย์ของท่านซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการเป็นทายาทของท่านอย่างยิ่ง ในปีพุทธศักราช2492ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของชีวิตซึ่งท่านก็ได้พยากรณ์ชีวิตของท่านให้แก่สิทธิ์ฟังแทบทุกองค์อยู่แล้วท่านพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าล่วงเลยมาเป็นเวลานานถึงสิปีในปีนี้นับแต่วันเข้าพรรษาผ่านไปท่านก็เริ่มไม่สบายอาการก็รู้สึกจะหนักขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อเดือนที่หนึ่งผ่านไป อาการของท่านไม่มีเบาขึ้นเลยถึงกับพระอาจารย์ผู้เป็นสิทธิ์อยู่แถวใกล้ได้มาพยาบาลท่านกันเป็นจํานวนมากอาการของท่านก็มีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นต่อมาอาพาธของท่านก็พอจะค่อยอยังชั่วขึ้นหน่อยท่านไม่ฉันยาแม้ว่าลูกศิษย์จะถวายเท่าไรเท่าไรท่านก็ไม่ฉันท่านบอกแก่ทุกคนว่าต้นไม้ที่มันตายยืนต้นอยู่แล้ว จะเอาน้ำไปรดเท่าไหร่จะให้มันเกิดใบอีกไม่ได้หรอกอายุของเรามันก็ถึงแล้วครั้นเมื่อใกล้จะออกพรรษาเหลืออีกประมาณสิบวันท่านก็ได้บอกพระที่อยู่ใกล้ชิดว่าชีวิตของเราใกล้จะสิ้นแล้วให้รีบส่งข่าวไปบอกแก่คณาจารย์ที่เป็นศิษย์เราท่างใกล้และไกลให้รีบมาประชุมกันที่บ้านของพืนี้ เพื่อจะได้มาฟังธรรมะเป็นครั้งสุดท้ายบรรดาพระที่อยู่ใกล้ชิดก็ได้จดหมายบ้างโทรเลขบ้างไปยังที่อยู่ของพระคณาจารย์เหล่านั้นบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเมื่อได้รับจดหมายบ้างโทรเลขบ้างแล้วต่างก็ได้บอกข่าวแก่กันต่อๆไปจนทั่วเมื่อการประวรณาออกพรรษาแล้วต่างองค์ก็รีบเดินทางมุ่งหน้ามาหาพระอาจารย์มั่น อย่างบ้านหนองผืออันเป็นจุดหมายเดียวกันท่านอาจารย์เทศกับท่านอาจารย์วิริยังขณะนั้นคือพระญาณวิริยาจารย์ก็ได้มาจากจันทบุรีร่วมในครั้งนี้ด้วยวันนั้นเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน12พุทธศักราช 2,492 ท่านพระอาจารย์มั่น ลุกขึ้นเดินไปไหนไม่ได้เป็นวันแรกบรรดาพระอาจารย์ได้เข้าไปประชุมกันแล้วท่านเด้นลุกนั่งแสดงธรรมให้แก่ศิษย์ทั้งหลายฟังอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นเนื้อความว่าการปฏิบัติ จ, จิตถือเป็นเรื่องสำคัญการทำจิตให้สงบถือเป็นกำลังการพิจารณาอริยสัจจะถือเป็นการถูกต้อง การปฏิบัติข้อวัดมีการชั้นหนเดียวเป็นต้นเป็นทางพระอริยะผู้เดินผิดทางยอมไม่ถึงที่หมายคือพระนิพพานท่านพระอาจารย์มัน่นท่านพักอยู่บ้านหนองผือเป็นเวลาห้าปีนั้นนับว่าเป็นลาบของชาวหนองผือยิ่งนักทุกๆปีจะมีคนมานิมนต์ให้ท่านไปทางโน้นทางนี้บ้างแต่ท่านก็ไม่ไป ทั้งทาให้เห็นหน้าแขกต่างบ้านมากมายทั้งพระและคารวะคล้ายกับว่าบ้านหนองผือเป็นบ้านสำคัญแห่งหนึ่งทำให้มีชื่อเสียงปรากฏทั่วประเทศไทยและชาวบ้านก็ศรัทธาในตัวท่านอาจารย์ใหญ่กันทั่วทุกคนมาในขั้นสุดท้ายชีวิตของท่านพระอาจารย์มั่นชาวบ้านเขาก็มีความปรารถนายอย่างยิ่งที่จะแทนคุณท่านอาจารย์ครั้งสุดท้าย คือขอให้ท่านมรณะที่บ้านหนองผือนี้ท่านได้บอกกับชาวบ้านและพระภิกษุสามเณรทั้งหลายว่าเราจะไม่มรณะภาพที่นี่เพราะถ้าเราตายที่นี่แล้วคนทั้งหลายก็จะพากันมามากจะพากันฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายเนื่องด้วยศพของเราจะทำให้ชาวบ้านเป็นบาปสมควรที่จะจัดให้เราไปมรณะภาพที่จังหวัดสกล น, นครเถอะ พระคณาจารย์ผู้เป็นสิทธ์ทั้งหลายเมื่อได้ทราบความประสงค์ของท่านแล้วก็พากันประชุมกันในค่ำคืนวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน12บสองนั่นเองตกลงจะนำท่านไปวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครเมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ที่เคารพยิ่งของพวกเขาจะไปในตอนเช้าของพรุ่งนี้แล้วจึงทำให้เกิดโกลาหลอนลมาน เป็นราวกับว่าแผ่นดินจะสุดฉะนั้นไม่ทราบว่าจะคิดอ่านประการใดเพราะเหตุผลให้เป็นเช่นนั้นเสียแล้วต่างก็หาเรือในอันที่จะยับยั้งท่านไว้บางคนมากราบเรียนยับยัง้งแต่ก็ไม่ได้ผลในคืนวันนั้นก็ไม่ได้เป็นอันหลับอันนอนกันทั้งหมู่บ้านเข้ามาวัดฟังเหตุการณ์จนถึงรุ่งสางของวันใหม่ เมื่อทราบแน่ชัดแล้วว่าท่านจะไปทุกคนต่างก็แสดงสีหน้าสลดผิดปกติเพราะในใจของเขาไม่ต้องการให้ท่านจากไปจึงทำให้เขาทั้งหลายเสียใจเป็นที่ยิ่งไม่มีอะไรเปรียบชาวบ้านหนองผืออัดอั้นตันใจจะพูดว่าอย่างไรก็หมดหนทางแล้วสุดท้ายก็คือประชุมกันเพื่อไปส่งท่านภิกษุสามเณรในเช้า ว, วันนั้น ต่างก็รีบฉันกันแต่เช้ารันเมื่อถึงกาหนดเวลาซึ่งเป็นวันไปจากบ้านหนองพือของท่านพระอาจารย์มั่นชาวบ้านทั้งแก่เท่าและหนุ่มสาวหลามไหลเข้ามาวัดกันอย่างคับคั่งทุกคนในมือถือดอกไม้และทูปเทียนนำเข้ามาถวายท่านพระอาจารย์มั่นแล้วก็กล่าวขอขามาลาโทษพร้อมทั้งสะอึกสะอื้นน้าตาร่วงไหลทุกคนส่วนพระเทรานุเทระ ได้มาประชุมกันที่หน้ากุฏิใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นจัดแคร่สำหรับหามที่มุงด้วยผ้าขาวมาวางไว้ข้างบันไดเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบเรียนท่านท่านพระอาจารย์มั่นก็เตรียมตัวลุกขึ้นเองอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆั้ที่ท่านลุกไม่ได้มาตั้งเก้าวันแล้วท่านเรียกเอาไม้เท้าค้ำยันเดินไปและก็เป็นการเดินครั้งสุดท้ายในชีวิตของท่าน ท่านได้เดินเข้าไปที่แคร่หามผู้มีกำลังก็เข้าประจําที่จะหามท่านอาจารย์ใหญ่ออกจากบ้านหนองผือในวันนี้อันตรงกับวันขึ้น10ขค่าเดือนส2องเวลา9นาฬกาอันเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตของท่านที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านที่บ้านหนองผือสายตาท่านได้สอดสายไปดูญาติโยมจนท่วนทั่วแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไร ร้นแล้วขบวนก็ได้เคลื่อนออกจากวัดป่าบ้านหนองผือบรรดาพระภิกษุสัมมเนรอุบาสกอุบาสิกาก็ออกติดตามเป็นทิวแถวเมื่อขบวนผ่านใจกลางบ้านชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พากันชเง้อคอมองดูบ้างก็เตรียมตัวออกมาส่งบ้างก็แสดงความเศร้าโศกทั้งออกหน้าและตามหลังเป็นราวกับว่าของที่เคารพ บ, บูชาจะพลัดพรากจากไป ทั้งๆ ท, ที่ลายเห็นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทุกครั้งเมื่อท่านกับพระภิกษุสมเนนทั้งหลายแวดล้อมติดตามไปเป็นแถวนั้นคือการไปบินธบัดแล้วก็กลับมายัางที่วัดป่านี้ก็มีจิตคิดว่ายังเห็นยังอุ่นใจพากาันติดตามมาส่งอาหารกันก็มาบัดนี้ท่านได้ผ่านไปพร้อมกับทั้งพระภิกษุสมเนนเป็นการไปไม่กลับเสียแล้ว ต่างก็พากันออกติดตามคล้ายๆกับจะพาท่านให้กลับคืนมาให้ได้เสียดังนี้แต่จะทำชนัเล่าเป็นการเหลือวิสัยเสียแล้วจึงเท่ากับติดตามไปส่งเพื่อไว้อาลัยที่ท่านได้มาสั่งสอนในธรรมะปฏิบัติต่างๆจนพากันเลื่อมใส ย, ยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลาถึงหปีทีเดียว ในวันนี้ชาวบ้านหนองผือเกิดกลัวลาหรอนละมานเป็นการใหญ่ซึ่งราวกับว่าแผ่นดินจะสุดฉะนั้นผู้คนออกติดตามส่งประมาณ200คนเศรเมื่อขบวนผ่านพ้นจากบ้านหนองผือก็เป็นที่น่าชวนให้คิดดังนี้ว่าโอชาวบ้านหนองผือคราวนี้ช่างก็ไรจะพากันได้รับความเศร้าโศกอัันตันใจขับแคนแน่นใจอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาตการไรๆ ทั้งๆ ท, ที่ความโศกแม้จะปรากฏขึ้นสามอันความว้าเวก็เข้ามาแทนที่โอความอ้างวางเปล่าเปลี่ยวทั้งทางวัดและทางบ้านให้เงียบเชียบอยังก็ไม่มีคนโอบ้านหนองผือจะต้องเงียบเชียบทั้งๆ ท, ท, ที่มีคนเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแต่ก็ควรคิดไปนในทํานองคลองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสัพเพหิเมปิเยหิมานาเปยนานาพาโววินาพาโวแปลว่า เราจะต้องพลัดพร่าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปขบวนได้ถึงบ้านห้วยบุญท่านอาจารย์หลุยกับท่านอาจารย์เนตรกําลังออกวิเวกอยู่เพิ่งรู้ออกมารับและติดตามไปด้วยท่านอาจารย์วิริยังจึงได้ถามว่าเอา้าทําไมไม่รู้เรื่องหรื อ, อยังไงท่านอาจารย์หลุยจึงได้ตอบทันทีว่าแม่ ภาวนาอยู่ในถ้ำกำลังดีได้ยินเสียงอึกกระทึกครึกโครมก็เลยออกมาดูเจอพอดีแม่เกือบเสียคนคราวนี้พวกออกหน้าก็คอยทางทางอันมีเรียวไม้ต้นไม้ระเกะระกะอยู่ทางพวกหามก็ผลัดกันออกผลัดกันเข้าเคลื่อนขบวนกันไปเรื่อยๆโดยอาการช้าๆตามราวป่าแถวนั้น มีชาวบ้านเขาอยู่ประปรายห่างกันพอทราบข่าวการจากไปของท่านพระอาจารย์มั่นก็พากันออกจากป่ามาเข้าขบวนเลยกลายเป็นขบวนใหญ่ขบวนนี้ก็ขึ้นดงลงห้วยลำทานเลาะลัดไปตามป่าไม้น้อยใหญ่เรียบไปตามชายภู้เขาประกอบกับเนินสูงต่ําๆทั้งขึ้นโคกออกทุ่งเป็นแห่งๆไปมีทั้งต้นไม้เดรดดาษอันมีต้นรึกษาชาต่ตางๆหลายอย่างหลายประการ มีทั้งสมอมะขามป้อมซึ่งกำลังผลิดอกออกผลยังกับจะชวนท่านภิกษุสามเณรให้แวะนั่งพักฉันเพื่อเป็นยาปรมัิขบวนได้หยุดลงณที่นี้พอดีผู้คนไปส่งก็พากันกลับเหลือแต่ผู้หามเคลื่อนขบวนกันไปเรื่อยๆบ่ายโมงถึงบ้านโคกกระโรงได้หยุดพักถวายยาชูกำลังและบำบัดโรคตามสมควรเท่าที่จะหาได้เพื่อประทังไป ขบวนหามก็เริ่มหามต่อไปในไม่ช้าข่าวนี้ก็ได้แพร่สัพัดไปโดยรวดเร็วถึงชาวบ้านโคกสาวขวัญบ้านกุดก้อมบ้านบงบ้านม่วงไข่พันนาอำเภอพันนาว่าท่านพระอาจารย์มั่นกำลังมาประชาชนต่างก็พากลามไหลออกมาดักขบวนเข้าช่วยหามเวลาบ่ายห้าโมงเย็นก็ถึงบ้านโคกสาวขวัญถึงบ้านบง และพระเด้เรียนท่านว่าบัดนี้ถึงกุดก้อมแล้วท่านบอกว่าให้นำท่านไปวัดป่าบ้านนาผู้แต่ชาวบ้านม่วงไข่ก็จะเอาไปม่วงไข่ตอนนี้อยู่ระหว่างกึ่งกลางทางจะไปม่วงไข่และดงนาผู้ชาวบ้านได้ถียงเป็นการใหญ่ต่างคนก็ต่างจะเอาไปท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าให้ไปบ้านนาผู้ดีกว่า ขบวนจึงตกลงไปวัดป่าบ้านนาผู้ท่านพระอาจารย์มั่นจึงบอกแก่พวกขบวนว่าเราต้องการไปโปรดในอ่อนและนางสำมขบวนหามก็ข้ามทุ่งนาซึ่งข้าวกําลังออกรวงเหลืองอารามเต็มท้องทุ่งเจ้าของนาก็ออกมารับและประวรนาบอกว่าให้ยำข้าวไปเลยจะเสียหายสักเท่าใดไม่ว่าท่านอาจารย์ผ่านนาโชคดีแท้ เจ้าของนาว่าในที่สุดขบวนก็มาถึงวัดป่าดงนาผู้เป็นเวลาสามทุ่มหรือ21อนาฬิกาพอดีจึงได้นำท่านอาจารย์ขึ้นสู่ศาลาครั้งนั้นแหละข่าวอันนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปโดยรวดเร็วทั้งทางไกลและทางใกล้ว่าท่านพระอาจารย์มั่นเวลานี้พักอยู่วัดป่าดงนาผู้พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา ต่งหลั่งไหลกันเข้ามายัางไม่ขาดสายเพื่อทัศนานุตริยะครั้งสุดท้ายและบำเพ็ญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอ่อนและนางสำโมราราชสองสามีภรรยาได้มีความปราบปลื้มปิติเหลือล้นเพราะได้คิดว่าวัดนี้เป็นมัดของตนท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้มาพักสมดังเจตนาเดิมด้วย ทั้งกลางวันกลางคืนได้เฝ้าท่านอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมห่างวันนี้ตรงกับวันขึ้น11อดค่ำเดือน12บสองขณะที่นางสามมายืนมองท่านทางหน้าต่างศาลาท่านทักขึ้นมาว่าเนี่ยเหรอนางสามภริยาในอ่อนนางจึงตอบว่าค่ะท่านจึงถามต่อว่าสบายดีหรือสบายดีค่ะ ท่านจึงพูดกับนางสามต่อไปอีกว่าเราเต็มทีแล้วโรคเกิดขึ้นเราเนี่ยหนักมากนะเป็นคำพูดที่ท่านพูดโตตอบมากกว่าใครทั้งสิน้นทำให้หนางสามมีความยินดีปรีดาอย่างยิ่งและก็สลดใจฝ่ายท่านเจ้าุธรรมเจดีจูมพันธุโรท่านอาจารย์สิงห์กัญญาขโมท่านเจ้าขุนอริยะคุณุทานเสงปุตโส เพิ่งจะมาถึงก็ทยอยกันเข้ามาเป็นลำดับท่านพระอาจารย์มัน่นได้พักอยู่ที่บ้านดงนาผู้เป็นเวลา9ก้าวันจวบกระทั่งวันแรมห้าค่ำนางนุ่มชุวานนผู้อุปถากมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยท่านพระอาจารย์เสาได้เข้าไปนำมส ก, การท่านท่านพูดกับนางนุ่มว่าเราเต็มทีแล้วอาการหนักเหมือนบูรุษมีกำลังหลายคนจับคนไม่มีกาลังคนเดียว เมื่อนางนุ่มได้ฟังแล้วก็รู้สึกตื่นตันใจจนไม่ทราบจะกล่าวประการใดก็ลากลับในระยะที่อยู่บ้านนาผู้นี้ไม่ทราบว่าคนได้หลั่งไหลกันมาอย่างไรทั้งไปกลับทั้งนอนค้างแน่นขนาดไปหมดทั่วบริเวณการเข้านมัสการท่านพระอาจารย์มั่นนั้นเข้ากันจนไม่ขาดระยะ ศาลาหลังนี้สูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรอาจารย์วิริยังผู้ที่ได้อุปถากมาตั้งแต่น้องผือจนกระทั่งขณะ น, นี้เห็นว่าจะเป็นการรบกวนท่านมากเกินไปเลยห้ามไม่ให้คนเข้ามาภายในศาลาให้นำมรสการข้างนอกแล้วปิดประตูไว้เมื่อท่านได้ยินเข้ากลับบอกให้เขาเปิดประตูให้เข้ามาตามความพอใจที่นี้ละ่ะ ผู้คนต่างพากันได้โอกาสหลังไหลกันเข้ามาทางประตูเกิดแน่นขนาดจนถึงประตูผู้ที่เข้าไม่ได้ก็ยืนมองอยู่ข้างนอกประตูเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องเปิดหน้าต่างอีกข้างหนึ่งใกล้กๆท่านคนก็ไหลเข้ามาทางนี้พอค่อยยังชั่วตอนที่ท่านพักอยู่ที่บ้านนาผูนนั้นท่านได้พูดกับศิษย์ที่ใกล้ชิดว่านำเราไปวัดสุทาวาสเถอะ เหมาะดีพูดดังนี้ตั้งหลายครั้งส่วนในอ่อนนางสำาไม่ยอมเด็ดขาดอ่อนวอนท่านเจ้าคุณธรรมเจดีและท่านอาจารย์เทศให้ทัดทานไม่ให้ท่านไปแต่ก็ไม่เป็นผลท่านยังคงยืนยันคำเดิมและในวันนั้นคืนวันพฤหัสบดีวันแรมห้าค่ำเดือน12บสองซึ่งตรงกับวันเกิดของท่านพอดีท่านบอกว่าต้องไปวันนี้ พอ เ, เป็นวันสุดท้ายแล้วชาวสกลนครมีนางนุ่มเป็นต้นได้จัดการนำรถมาเพื่อจะนำท่านไปยังวัดสุดทธาวาสจอดรอคอยตั้งแต่เช้าตรู่ของวันแรมห้าค่านั้นแล้วแต่ด้วยเหตุที่นายอ่อนนางสำาทัดทานอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้การเดินทางต้องล่าช้าเพราะว่าขณาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ของท่านต่างรู้แล้วว่า ท่านจะสิ้นใจไปเสวยวันนี้เป็นแน่จึงได้เตรียมการกันเสืยอเอกเริเรกเพื่อให้พอเพียงต่อความสะดวกต่างๆประชาชนและเข้ารือหัดต่างเนืองแน่นอยู่เต็มบริเวณวัดในที่สุดพระก็ได้อุ้มท่านเข้าสู่แคร่ขานหามอีกคำรบหนึ่งเมื่อเวลาสิบนาฬิกา20นาทีก่อนที่จะขึ้นแคร่ท่านได้พูดกับพระคณาจารย์ที่ยืนออกันอยู่ณที่นั้นว่าเราจะเข้าฌานสงบ แล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครต่ออีกเลยมีผู้คนติดตามไปส่งท่านที่รถเป็นขบวนยาวเหยียดเพื่อไปขึ้นรถยนต์ที่ถนนใหญ่ซึ่งมีท่านอาจารย์เทศท่านอาจารย์วิริยังสิริธโรและท่านอาจารย์วันอุตตโมท่านอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์กงมาเจ้าคุณธรรมเจดีสามเณรอัมพลผู้ซึ่งเป็นเหลนของท่านเป็นผู้พยุงท่านไปกับรถขณะนั้นเอง นายอ่อนนางสามอุบาสกอุบาสิกาในแถบพันนานิคมที่มาประชุมกันอยู่นั้นถึงกับตกตะลึงนางสามถึงกับล้มเป็นลมพับลงไปต้องช่วยกันเยียวยาจึงฟืน้นเพราะการไปของท่านพระอาจารย์มั่นคราวนี้ด่วนมากตกลงเพียงชั่วโมงเดียวจึงทําให้ไม่ทันคิดหน้าคิดหลังยับยั้งจิตไม่ทันอันทําให้เกิดเหตุให้เกิดโทมนัตเหลือกําลัง ถึงกับร้องห่มร้องไห้กันเสียงระงมรถฟาโกขนาดเล็กพาท่านพระอาจารย์มั่นและคณะลั่นไปตามถนนหลวงส่วนญาติโยมต่างนั่งร้องไห้กันอยู่เต็มลานวัดทั้งเบื้องหลังดังอยู่ระงมไปหมดซึ่งวันนั้นฝนพรำพร ำ, พรำท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดอันทำให้ศิษย์ทุกคนได้คิดถึงคำพยากรณ์ของท่านว่าวันที่ท่านจะสิ้นลมปรา น, นั้น ผลจะต้องตกพรำพรและก็สมจริง14นาิกา30นาทีรถฟาโก้เล็กคันนั้นก็นำท่านอาจารย์ไปจอดสงบนิ่งอยู่ในลานวัดสุดทธาวาสครั้นถึงแล้วก็ได้จัดแจงเข้าพักในกุฏิเป็นที่เรียบร้อยและท่านก็นอนในสภาพปกติชาวจังหวัดสกล น, นคร เมื่อได้ยินข่าวต่างพากดีใจที่ท่านพระอาจารย์มั่นเดินทางมาถึงต่างก็หลามไหลเข้ามากราบไหว้กันเป็นทิวแถวทั้งพ่อค้าข้ า, ขาราชการประชาชนเป็นจำนวนมากเมื่อดึกควรแก่เวลาแล้วชาวบ้านที่มานมัส ก, การก็พากันทยอยกลับส่วนพระคณาจารย์ที่เป็นสิทธิอนุสิท์ทั้งหลายก็ได้นั่งประชุมกันอยู่ตลอดเวลาอาการของท่านก็ปกติ อยู่จนกระทั่งเที่ยงคืนคือ24นาิการั้นเมื่อถึงหนึ่งนาฬกาตรงอาการของท่านผิดปกติขึ้นทันทีอาจารย์วันอุตโมผู้ปฏิบัติใกล้ชิดก็ได้รีไปแจ้งแก่พระคณาจารย์ทุกองค์แล้วก็พร้อมกันอยู่ในห้องเพื่อคอยดูอาการครั้นถึงเวลาสองนาฬิกายี่ิบนาทีจีพจอทั้งหลายก็อ่อนลงอดเข้าทุกๆุกทีกท ถอนขึ้นทุกระยะจนเหลืออยู่แต่ที่หัวใจภายในไม่ช้าก็สิ้นลมหายใจด้วยอาการปกติทุกประการต่อจากนั้นอาจารย์ทั้งหลายก็ผลัดกันเข้าไปกราบศพเป็นลำดับจนถึงวาระของพระอาจารย์วิริยังท่านได้กราบลงหมอนข้างศรีรษะของท่านจิตก็คิดว่าท่านอาจารย์หนอมาละพวกกระผมไปซิ้ยแล้ว โดยสภาพแห่งความเป็นจริงของสังขารอันโทษกรรมใดๆทั้งที่เป็นทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยซึ่งกระผมได้มีต่อท่านอาจารย์แล้วขอจงอโหสิกรรมแก่กระผมด้วยเถิดชีวิตและความดีเด่นอันหายากนักที่จะทำได้ดังท่านพระอาจารย์มั่นก็ต้องจบลงแต่เพียงแค่นี้จะยังคงเหลืออยู่แต่ลูกศิษย์ลูกหา ผู้ออกเผยแผ่ธรรมและสร้างศาสนาไว้เป็นอนุสอนเพื่อสอนลูกหลานสืบต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้ปัจชิมลิขิตข้าพเจ้าเดียวเรียบเรียงประวัติของพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระจบสมบูรณ์เมื่อวันพระหัสบดีที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพ เวลา24นาฬกานาทีต้นฉบับน oh ั 2021, ้นข้าพเจ้าได้บันทึกไว้เมื่อครั้งข้าพเจ้าอยู่กับท่านเป็นเวลาสปีตั้งแต่พุทธศักราช4 8 5ถึงพุทธศักราช2 4 8 8ในปีพุทธศักราชสองที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่4ี่ิ ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ตอนจบสิงอ่านหนังสือขออนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้นะครับวราวดุสุนทรลงใสครอบครัวชูสังครอบครัวภูมิฐานสุกัญญาหอมบุญมาจิรันธนินกองวงศ์ครอบครัวภูนเกิดครอบครัวถาวรยิรญเจริญครอบครัวอินทรารุณครอบครัวอินธนินครอบครัวจันเรืองครอบครัวพ่องใสครอบครัวอมรวิจกิจเวชาผลวิชัยชั่วปถมวงศ์กัญญาสระสืกกุลอำนาจบุญช่วง สัสิทธน์นมใสครอบครัวงามสุริยพงศ์ครอบครัวชยรัตนิชาทิพหอยสังและคุณพ่อวิชาญมนฑาทิพกุลร่วมกับอีกหลายท่านดูรายชื่อได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในส่วนของรายละเอียดทุกช่องทางที่ชมรมคนดีเผยแพร่นะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านและท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามหนังสือเสียงชุดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับหากไม่มีทุกท่าน บุญกุศลใดที่เกิดดีแล้วขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเสมือนได้ทําด้วยตัวท่านเองขอทุกท่านเจริญในทางที่เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปหมดทุกสิ้นภัยจากอันตรายทั้งปวงด้วยเถินสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสําหรับท่านที่ศรัทธาในคําสอนของหลวงปู่มั่นโปรดติดตามเสียงอ่านชุดคําสอนของหลวงปู่มั่นซึ่งกําลังจะจัดทําต่อจากเรื่องนี้ด้วยนะครับ เสียงงานโดยโจโฉและชมรมผลดีทั้งหมดเผยแพร่ๆๆต่อส่งต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นและห้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดติดตามฟังเสียงอ่านจากช่องหลักได้ที่ YouTube ช่องชื่อว่าโจโฉเสียงธรรมอ f ฟฟิเชีลและต้องมีเครื่องหมายถูกยืนยันว่าเป็นช่องหลักของแท้เว้หลังชื่อเท่านั้นนะครับสําหรับการฟังใน YouTube เลือกฟังทุกเรื่องได้ที่เพลย์ลิสต์รวมเสียงโจโฉทั้งฉบับ เมืกดฟังจะเลื่อนไปฟังจุดที่ต้องการได้ง่ายนะครับหรือเมื่อฟังแล้วหยุดฟังกลับมาฟังอีกรอบระบบจะเริ่มต้นจุดที่ฟังค้างไว้อัตโนมัติจะสะดวกสําหรับการฟังเรื่องยาวๆแต่ฟังวันละไม่มากและกลับมาฟังได้ง่ายนะครับสําหรับท่านที่ฟังในพอดแคสต์หากดาวน์โหลดผ่านแอปจากพอดแคสต์เข้าใจว่าน่าจะโหลดได้ไฟล์เดียวนะครับเพราะในพอดแคสต์อัปโหลดไฟล์ยาวมากไม่ได้ต้องตัดเป็นตอนแล้วใส่รวมในเรื่องเดียว เมื่อดาวน์โหลดจึงอาจจะได้ไฟล์ไม่ครบนะครับต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังให้เป็นโหลดได้ฟรีที่เว็บโจโฉ .net โจโฉภาษาไทยนะครับ .net คือจุด n-e-t สนใจเป็นเจ้าภาพในเรื่องต่อไปหรือร่วมสนับสนุนชมรมผลดีในช่องทางต่างๆดาวน์โหลดติดต่อสอบถามดูได้ที่เว็บไซต์ j o โฉ .net แล้วพบกันในเรื่องต่อไปนะครับขอทุกท่านจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป อริยคุณพุทธธรรมโจโฉเสียงธรรมชมรมผลดีพฤศจิกายนพุทธศักราช 2,564